3. นิสสกิยกันคำถามคำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในขขนิสสกิยกันสิกขาบทที่หนึ่ ง, งถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัตินิสสกิยปาจิตตี แก่ภิกษุณีผู้ทําการสะสมบาตนณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุณีฉับพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉับพคกขีทาการสะสมบาศ